องค์ก็ตริยว่าท่านพราหมณเราจะให้เราไม่หวั่นไหวท่านขอสิ่งใดกับเราเราไม่ซ่อนเร้นสิ่งที่มีอยู่นั้นใจของเรายินดีในทานองค์กรีบเอาน้ำเนี่ยใส่คนโทแล้วก็หลังล ง, ลงในในมือของพราหมณ์พระราชทานพรรยาให้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเรามีความดำริแห่งใจใจของเราในี่เลื่อมใสเราจับพระหัตถ์ของพระนางมสัสสียังฝ่ามือให้เต็มด้วยน้า ได้ให้พระนางมัสสีนั้นแก่พราหมณ์ไปบทว่าประสันนมณนะสังกับโปมีความดำริแห่งใจเลื่อมสายแล้วด้วยความเลื่อมสายศรัทธาอันเกิดขึ้นแล้วว่าเราจักอย่างที่สุดแห่งทานบารมีให้ถึงด้วยการบริจาคพระยานี้แล้วจักบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแน่นอน การให้ครั้งนี้ถือว่าเหมือนกับว่าอะไรจะเรียกว่าเป็นการให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายก็ได้การให้ครั้งนี้สําเร็จได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่จะบรรลุพระสัพพัญยุตยามแน่นอนขณะนั้นนั่นเองก็ปรากฏปาฏิหาริย์ทั้งปวงได้มีแล้วในหนหลังนะก็คือแผ่นดินไหว หมู่เทพหมู่พรหมเกิดปีติสมนัตเป็นอย่างยิ่งว่าบัตรนี้พระสัมมาสัมโพธิญาณของพระโพธิสัตว์นั้นอยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลอีก576ล้านปีนี่แหละจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วอีกห้า้อยเจ็ดล้านปีจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะตอนนั้นนะเอา้าก็ต้องไปอยู่ในดุสิตหมดอายุไขาอายุก็เท่าไหร่576ล้านปีใช่ไหมมันอีก700ร อ, อีกห้าล้านปีจะได้เป็นพระพูทธเจ้าแล้วดีใจมากเลยน ะ, ะเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าเมื่อเราให้พระนางมัตสีถวยเทพในท้องฟ้าต่างก็เบิกบานแม้ในครั้งนั้นแผ่นดินภูเขาสิเนรุราชก็หวั่นไหวเมื่อเราให้พระนางมัตสีเทวีไม่มีร้องให้ด้วยหน้าเศร้าหรือเพียงคิ้วขมดวดเขบอกว่าหน้านี้ไม่คิ้วขมวดแบบคนเครียดะนะไม่มีไม่มีอาการเครียดแม้แต่นิดเดียว พระนางเทวีก็ดำาริอย่างเดียวว่าจะทารรสิ่งที่พระสวามีปรารถนาใจของนางนี่ทอย่างเดียวพระนางมาซีก็บอกว่าเรานี้เป็นราชกุมารีได้เป็นภริยาของท่านผู้ใดท่านผู้นั้นก็เป็นเจ้าของสามีก็แปลว่าเจ้าของใช่ไม้มเรานี้ก็เป็นเจ้าของของ เ, ออเราเป็นเนี่ยเป็นของของเขาเขาเป็นเจ้าของเราเป็นอิสระในตัวเราเนี่ยนะ สมัยนั้นไม่มีคําว่าสิทธิมนุษยชนมาร้องเรียกอะไรแบบตอนนี้นะไม่มีลนะแนามสกุลก็ไม่ยอมเอาของสามีแล้วนะสิทธิมนุษยชนว่างนันตะท้วงใหญ่โตเลย <Yeah. S 1> แต่นี่ตอนนั้นเขาไม่ได้คิดแบบนั้นอ่ะนะเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ปรารถนาจะให้เราแก่ผู้ใดหรือปรารถนาจะให้หม่อมชั้นแก่ผู้ใดพระองค์จะให้ให้ก็ให้เธอจะขายก็ได้จะค่าก็ตามใจว่างนันอ่ะนะ สรุปว่ายื่นเงืนยื่นเงื่อนขายไป3ามอย่างเลยใช่ไหมให้ก็ได้ขายก็ดีค่าก็ไม่เป็นไร น, นะเยโหใจนี่ไม่ธรรมดาเลยนะแ ส, สดงว่าพักดีกันอย่างมั่นคงมา ก, ก น, นะก็คิดดูนะว่าไอตอนที่ออกจากพระนครนี่ก็เห็นความเด็ดเดี่ยวของพนางมาซีแล้วมาอยู่ด้วยกันเจเดือนนี่ก็หาผลไม้เลี้ยงตลอดเลยนะพระพพธิสัตว์ไม่เคยไปได้ไปหาผลไม้อะไรสักมือหรอกนะนนางมาซีนี่หาเลี้ยงตลอด ขนานั้นแม้กระทั่งว่าให้ลูกเป็นทานแล้วตัวเองก็อนุโมทนาอีกถามว่าพระนางมัตสีรักลูกไหมรักลูกจนเรียกว่าวิ่งหาลูกคืนนั้นเนี่ยสองกิโเมตรเนี่ยนะเสร็จแล้วพอบอกว่าลูกให้ทานแล้วอนุโมทนาเลยอนุโมทนาพอเสร็จแล้วคือคื อ, คอมีใจเนี่ยเนะ่ยผูกพันรักกับพระเวสสันดรมากแต่ที่จริงก็คู่นี้ก็อยู่ร่วมกันมากี่กับแล้ว นะอยู่ร่วมกันมาสี่อสงไขยแสนกลับแล้วนะนะเพราะฉะนั้นอาการที่จะอนุโมทนาบุญก็เลยไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรสำหรับพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าท่านพราหมผู้เจริญสัพพัญญุตยานของเราเนี่ยนะเรารักยิ่งกว่าแม่มัสซีเป็นร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าขอทานของเรานี้จงเป็นปัจจัยแห่งการรู้แจ้งแทงตลอดพระสัพพัญญุตยานนั้นเถิดแล้วพระองค์ก็พระราชทาน เพราะฉะนั้นคําสอนในพระไตรปิฎกไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าได้มาโดยง่ายใช่ไหมได้มาด้วยอะไรบ้างทรัพย์สินเนื้อเลือดชีวิตได้มาด้วยน้ําตาบุตรและภริยา น, นะบริจาคทุกอย่างอันนี้นี่คือทานนะยังไม่ได้พูดถึงศีลอย่างอื่นเดี๋ยวศีลเป็นต้นจะได้กล่าวต่อไปนั้นพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าเมื่อเราสละพ่อชาลีแม่กันหาชินาผู้เป็นธิดาและ น, นะและ สละพระนางมัตสีผู้จงรักสามีไม่คิดถึงเลยเนี่ยนะคือไม่ได้อาลัยอาวล์ในว่านี้ลูกของเรานี้ภรยาของเราที่เราทำอย่างนั้นได้ก็เพราะเหตุแห่งโพธิญาณ น, นั่นเองบุตรทั้งสองเราก็ไม่เกลียดพระนางมัตสีเราก็ไม่เกลียดถ้าด้วยโดยปกติธรรมดาทั่ ว, วไปเนี่ยนะถ้ามีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าจะต้องเอาความตายเข้าแลกยังไงท่านก็ต้องตายแทนลูกและภรยาของท่านแต่ท่านรัก โพธิยานมากกว่าพันสัพพัญยุตยานเนี่ยนะเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงได้ให้บุตรให้ภริยาอันเป็นที่รักของเราอีกครั้งหนึ่งบทว่าจะชามาโนโนะจินเตสิงคือเมื่อเราสละก็ไม่ได้คิดถึงด้วยความเดือดร้อนอธิบายว่าเราสละแล้วก็เป็นอันสละไปเลย ในบทนี้สมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าก็เพราะเหตุไรเล่ามหาบุรุษจึงทรงสละบุตรภรยาของพระองค์ผู้สมบูรณ์ด้วยชาติเป็นกษัตริย์โดยให้เป็นทาสของผู้อื่นก็เพราะว่าการทําเป็นผู้เป็นไทยบางพวกไม่ให้เป็นไทยม่ใช่สิ่งที่ดีตอบว่าเป็นธรรมะอันสมควรอนาที่ให้เนี่ยสมควรแล้วทําไมจึงสมควรละ่ะ จริงอยู่การเข้าถึงพุทธกรลกะธรรมคือธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาการบริจาควัตถุที่เขาหวงว่านี้ของเราเนื่องในตนทั้งปวงโดยไม่เหลือเรียกว่าให้ไม่เหลือจริงๆให้แบบให้อะไรนะหม้อคว่ำมาหม้อคว่ำเนี่ยนะเพราว่านะอธิจริงเนี่ยนะอย่าว่าหม้อคว่ำเลยให้ทั้งหม้อด้วยซ้ําไปนะพระโพธิสัตว์เนี่อยอะว่าแต่น้ําที่อยู่ในหม้อเลยให้แม้กระทั่ง มอเพราะว่าของที่ให้ก็ให้หมดแล้วก็ให้แม้กระทั่งชีวิตของผู้ให้ก็ให้ได้จะกล่าวไปยัยถึงของนอกตายเล่าวัางัน้นจิงอยู่การสละวัตถุที่เขาหวงว่าของเราแก่ยาจกผู้ขอจะไม่สมควรแก่พระโพธิสัตว์ไม่สมควรรองที่จะหวงแหนพูดถึงความขวนขวายเพื่อบําเทญฐานบารมีพระพุทธเจ้านั้นตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ไม่มีการกําหนดไตยธรรมว่าจะต้องให้อะไรบ้าง ไม่มีเขบอกว่าสิ่งใดที่รับประสาทสัมผัสในทวารหาเนี่ยนะให้ได้หมดไม่มีเหลือขณะเดียวกันผู้รับก็ไม่จํากัดว่าใครจะเป็นผู้รับสา ม, มารถให้ได้หมดแม้นี้ก็เป็นธรรมะอันสมควรมีมาแต่เก่าก่อนธรรมะที่ประพฤติสะสมมาสม่ําเสมอ น, นี้อันนี้เป็นวงตระกูลเป็นประเพณีของพระโพธิสัตว์ทั้งปวงคือการบริจาคทุกสิ่งทุกอย่างการมาบริจาค ท่านบริจาคทุกอย่างแต่ถ้ามีคนมาข่มขู่ข่มเหงในลักษณะแบบแบบอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ท่านให้นะท่านไม่ยอมเด็ดขาดแต่ถ้าหากว่าลักษณะเพื่อทำบุญเนี่ยท่านทำทุกอย่างแต่ถ้าลักษณะแบบมาขูดรีดข่มเหงอะไรเป็นต้นท่านไม่ได้ยอมอะไรแต่อันนี้หมายถึงถ้าท่านเจตนาที่จะเรียกว่าทำบุญเนี่ยท่านให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยพิเศษออกไปคือการบริจาคสิ่งที่เป็นที่รักยิ่งกว่า จรงอยู่พระโพธิสัตว์บางองเนี่ยนะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์บริจาคมหาบริจาค5ประการบริจาค5ประการคืออะไรเรียกว่ามหาบริจาคอ่ะนะ5มีอะไรบ้างหนึ่งบริจาคทรัพย์ที่มีความเป็นอิสระในราชสมบัติเป็นต้นอันสืบวงมาเขาเรียกว่าพระราชทรัพย์ของพระองค์ทั้งหมดเนี่ยนะท่านยกแผ่นดินให้หมดเลย ท, ทั้งทั้ที่ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถรับแผ่นดินนั้นท่านสละแผ่นดินนั้นให้บริจาคเป็นฐานได้ ข้อต่อไปพระองค์สามารถบริจาคอวัยวะไม่ว่าจะเป็นศีรษะและในตาเป็นต้นของตอนเองได้จะตัดหัวเป็นทานให้ก็ได้บริจาคชีวิตอันเป็นที่รักให้ทานบริจาคบุตรเป็นที่รักผู้จะดํารงวงศ์สกุลให้ทานได้บริจาคเป็นบริจาคภริยาอันเป็นที่รักที่มีความประพฤติเป็นที่ชอบใจไม่ใช่แบบอะไรนะ แม้อยากหย่าเต็มทีแล้วนะมาขอสักทีที่เนี่ยนะอยากให้มานานแล้วอยากจะจากมานานนะอันนี้ไม่ใช่เนี่ยนะหมายเขาว่า ก, ก็ก็รักที่สุดแล้วว่างั้นเถอะรักเท่ากับชีวิตจิตใ จ, จนั่นแหละแต่ก็ให้ได้ก็พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ทั้งหมดเนี่ยทำอย่างนี้อย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละในอดีตครั้งเมื่อพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์สแสวงหาโพธิญาณอยู่พระองค์ก็ประทับอยู่ในภูเขาลูกหนึ่งพร้อมด้วยบุตรพระยา ในอัตภาพที่สจากอัตภาพก่อนก็คืออะไรนะเป็นชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าดาวดึงถอยหลังไปอีกเอ่อข้ไปดูสิทตนะชาติเป็นพระพุทธเจ้าถอยหลังไปก็จะเป็นดุสิตถอยหลังจากดุสิตก็จะเป็นชาติเหมือนกับพระเวสสันดรพระมังคลาโพธิสัตว์นี่ก็เหมือนกันขณะที่พระองค์แสวงหาโพธิญาณอยู่ในในชาติที่สมเนี่ยนะถอยหลังจากชาติเป็นพระพุทธเจ้าก็มียักษ์ชื่อว่าคราธาทิกะ เรียว่ายักเขี้ยวแหลมเนี่ยนะฟังว่าพระมหาบุรุษมีอัธยาศัยในการให้ทานก็แปลงเพศเป็นพราหมณ์เข้าไปหาพระโพธิสัตว์ขอลูกทั้งสองพระโพธิสัตว์เบิกบานใจว่าเราจะให้บุตรทั้งสองแก่พราหมณยังปฏิปีมีน้ําเป็นที่สุดให้หวันไหวแล้วก็ให้ทารกทั้งสองยักษ์นั้นก็ยืนพิงแผ่นกระดานสําหรับยึดที่สุดที่จงกรมเมื่อพระโพธิสัตว์เห็นอยู่นั่นเองได้เคี้ยวกินเด็กทั้งสอง ดุดเคี้ยวกินเง่าวัวเหมือนอะไรนะเหมือนกินอะไรของกรอบๆอ่ะนะเมื่อพระโพธิสัตว์แลดูปากของยักษ์พ่นสายเลือดออกมาดุดเปลวไฟไม่ให้โอกาสแก่จิตตุบาที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นว่ายักษ์ลวงเราเพราะความเป็นผู้ฉลาดในอุบายได้อบรมมาดีแล้วพอท่านเห็นว่านะเลือดท่วมไหลออกจากปากของยักษ์นะท่านว่าไงนะ สุทินังวัตะเมทานังทานบารมิ์ทานที่เราให้นี้เป็นการให้ดีแล้วเนาะปีติโสมนัสเป็นอย่างมากท่านเกิดปีติโสมนัสอย่างมากเพราะความเป็นผู้ฉลาดในอุบายคือฉลาดคิดเนี่ยนะเขาบอกว่าคนที่ให้ทานเป็นเนี่ยให้เขาให้เพราะฉลาดคิดเขามามาเ น, นึกในใจนะว่าไม่สามารถจะให้ลูกเป็นทานได้แต่ถ้าลูกตายเนี่ยได้ ไปประสบอุบัติเหตุแขนขาดขาขาดมันชัพิการขนาดไหนตายเลือดท่วมได้แต่ว่าให้ลูกเป็นทานไม่ได้ทําไมเป็นอย่างนั้นนะนี่ยเพราะเพราะไม่เคยคิดที่จะให้ไม่เคยมีมีใจที่จะบริจาคไม่ใช่ว่าเราจะไม่ให้แล้วลูกจะอยู่กับเราตลอดไปที่ไหนไม่จากวันนี้มันก็จากวันต่อต่อไปพี ต, ต่อต่อไปเดี๋ยวก็จากกันจนได้ไม่จากเป็นก็จากตายแต่เขาไม่จากเราก่อนเราก็ต้อง จากเขาก่อนแม้กระทั่งให้พริยาเป็นทานก็เหมือนกันยังก็ว่าจะไม่อยากกันจะอยู่ด้วยกันตลอดตลอดไหนตลอดไปใช่ไ้มไม่เดี๋ยวก็จากกันอยู่แล้วล่ะจากเป็นไม่จากเป็นก็จากตายน่ยนะที่ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าสภาพของธรรมะในอดีตไม่มีปฏิสนธิเพราะว่าความย่ายีสังขารทั้งหลายด้วยอำนาจความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านฉลาดคิดมาก เนื่องจากว่าท่านฉลาดคิดเป็นต้นเนี่ยนะท่านคิดรอบครอบครบถ้วนหมดนะท่านจึงให้ไปไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นลอยๆแล้วเกิดขึ้นเองไม่แต่เกิดจากการใคร่ครวญเกิดจากการพิจารณาโดยรอบครอบครบถ้วนกระบวนความทุกเหตุทุกผลทุกแง่ทุกมุมทั้งหมดเนื่องจากพิจารณาโดยรอบทั้งหมดเนี่ยนะท่านจึงให้ฐานได้เมื่อให้ฐานเสร็จท่านก็โสมนัสว่าฐานบา ร, รมีของเรานี้เต็มแล้ว เชื่อไหมคนที่เขาคิดจะให้ที่หลายๆคนบอกว่าชั่วร้ายเหลือเกินพ้นจากทุกหมดแล้ว น, นะถือว่าตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับทุกหมดแล้วใช่พวกตันนีทั้งหลายพวกตําหนีพระเวสสันดรนะเฝ้าอยู่ในกองทุกเกิดทั้งหมดเลยนะพวกที่ตําหนีพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะก็เวียนไหวาตายเกิดจากชาตินี้ดีไม่ดีจะไปนระกซะส่วนใหญ่อีกนะ hmm. เพื่อที่จะยังประโยชน์ใหญ่ให้สําเร็จแค่เรียกว่า อะไรนะถ้าเป็นสํานวนจีนเขาบอกเดี๋ยวจะเสียการใหญ่อันนี้ก็คือประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าสัพพัญยุตยานไม่มีแล้วพันสัพพัญยุตยานถือว่าเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นประโยชน์ที่สูงที่สุด เ, เป็นประโยชน์สูงสุดที่สามารถช่วยให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากวัตถุทุกได้เพราะนั้นพระองค์ก็เลยสามารถที่จะสละกองสังขารที่หาสาระไม่ได้ เป็นสังขารที่ผุพังไปสังขารที่ตั้งอยู่แค่ขณะเดียวเนี่ยนะเกิดมามันก็ชาติเดียวนี่แหละเฉพาะชาตินี้นะสมมุติว่าอย่างว่าชีวิตของเราเนี่ยนะเออเราจะสแสวงหาให้มันเป็นอริยทรัพย์ได้ยังไงคือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านเป็นผู้ที่มองทุกอย่างแต่จากทุกสภาพให้เป็นอริยทรัพย์ได้หมดคือท่านเห็นแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นโภกทรัพย์โภกทรัพย์เหล่านั้นท่านก็มีแล้วแต่ท่านจะแปลสภาพยังไงให้เป็น อริยทัพย์แล้วทุกอย่างท่านแปลเป็นอริยศัพย์ได้หมดเลยมีอะไรบ้างใช่ไหมข้าวของเครื่องใช้วัตถุทานภายนอกทั้งหมดท่านแปลเป็นอริยศรัพย์เพื่อจะให้เป็นอุปนิสัยในการเป็นพระพุทธเจ้าชีวิตเลือดเนื้อร่างกายของท่านท่านก็แปลมาเป็นอริยศัพย์เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าหมดแม้กระทั่งบุตรภริยาเป็นต้นก็แปลเป็นอริยศัพย์ได้หมดบางคนนก่กจะบอกให้ลูกเป็นทานไม่ได้แต่เขี่ยมซะลูกตายคามือได้อย่างไงเนี่ย ออมันก็อย่างงี้แหละวัตตานี่ถ้าฉลาดคิดบ้างเนี่ยคนจะได้บุญไม่ใช่น้อยใช่ไหมเขาบอกอะไรนะให้ลูกเป็นทานไม่ได้แต่ถ้าลูกให้ลูกไปตายในสงครามเนี่ยได้ให้ลูกไปเป็นทหารเป็นต้นจะได้ไปตายในสงครามเป็นต้นทําใจได้หมดเลยนะแต่ว่าที่จะทําบุญให้ทานเป็นต้นทําไม่ได้คือคือคนที่ อธิกวรมในที่สุดสิ่งเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกันวันยังค่ํานั่นแหละแต่บัณฑิตทั้งหลายสามารถสแสวงหาประโยชน์อย่างยิ่งได้จากสรรพสิ่งเนี่ยนะซึ่งต่างจากคนพ า, า, านทั้งหลายคนพานทั้งหลายเขาเรียกว่าหวงเรือมากกอดเรือแล้วก็จมพร้อมไปกับเรือเป็นอาหารของปลาและเต่าพระโพธิสัตว์ไม่เป็นอย่างนั้นท่านเห็นว่าเรือจะจมท่านขายเรือเรียบร้อยแบบเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะมีเตรียมสเบียงไว้ไปพบหน้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ พระโพธิสัตว์เนี่ยทราบความดีงามแห่งจิตของตนในขณะนั้นแต่ก็อย่างว่านะความคิดเช่นนี้ก็เป็นความคิดที่ไม่ทั่วไปแก่คนอื่นเพราะฉะนั้นเนื่องจากท่านฉลาดคิดเนี่ยนะเห็นเลือดที่ไหลออกมาจากปากของยักษ์ท่านก็คิดว่าด้วยผลอันนี้ในอนาคตขอให้รัศมีจงออกจากร่างกายของเราเหมือนกับเลือดที่พุ่งออกมาจากปากของยักษ์ฉะนั้น รัศมีอันนั้นจากสรีระของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เนี่ยนะอาศัยความปรารถนาอันนั้นแผ่ไปหมื่นโลกธาตุอยู่เป็นปกติเขาบอกว่าตั้งแต่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะรัศมีสร้างออกจากพระวรกายเนี่ยนะหมื่นโลกธาตุไม่เคยใช้แสงสว่างดวงอาทิตย์เลยสว่างทั้งกลางวันทั้งกลางคืนด้วยพุทธานุภาพหรือด้วยรัศมีของพระองค์เนี่ยนะที่พระองค์มีอัธยาศัยแบบนี้ พระโพธิสัตว์แม้เหล่าอื่นก็เป็นอย่างนั้นคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ได้สละสิ่งอันเป็นที่รักของตนไม่ว่าจะเป็นบุตรภริยาจึงสามารถรู้แจ้งแทงตลอดบรรลุพระสัพพัญญุตยานข้ออุปมาเปรียบเทียบอีกอันหนึ่งเนี่ยนะข้อเปรียบเทียบอีกอันหนึ่งที่จะให้รู้ว่าการบริจาคอันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดอะไรหรอกเหมือนอย่างว่าบุรุษคนใดคนหนึ่งรับจ้างทําการงาน ที่บ้านหรือชนบทในสำนักของใครๆทำทรัพย์หายไปด้วยความประมาทของตนหรือด้วยหรือของลูกน้องเขาก็ถูกจับส่งเข้าไปยังเรือนจำเขาก็คิดอย่างนี้ว่าเราทำการงานของพระราชานี i เก็บทรั์ไว้ได้ประมาณเท่านี้เรานี่ถูกพระราชานั้นส่งเข้าไปยังเรือนจำหากเราอยู่ในเรือนจำตนของเราก็ย่อยยับบทภรยากรรมกรบุรุษของเราเนี่ยปราศจากอาชีพก็ถึง ความพินาศย่อยยับไปหมดถ้ากระไรเราจะทูลพระราชาตั้งบุตรพี่ชายน้องชายของตนไว้ในที่นี้แล้วออกไปเราพ้นจากเรือนจํานี้แล้วไม่ช้าจะรวบรวมทรัพย์จากมิตรจากสหายมาถวายแก่พระราชาแล้วปล่อยบุตรพี่ชายปล่อยน้องชายออกจากเรือนจําเราเป็นผู้ไม่ประมาทจักกระทําสมบัติให้เป็นเหมือนเดิมด้วยกําลังแห่งความเพียร บุรุษนั้นก็ทําอย่างนั้นได้ฉันใดข้ออุปมาันนี้ก็ฉันนั้นการงานนี้ก็เหมือนอะไรเหมือนพระราชาสังสารวัตเหมือนกับเรือนจําพระมหาบุรุษผู้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตด้วยอํานาจกรรมดุจบุรุษที่พระราชาตั้งเอาไว้ในเรือนจําการที่พระมหาบุรุษให้บุตรเป็นต้นของตนแก่คนอื่นแล้วก็ปลดเครื่องสัตว์ทั้งปวงให้พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะด้วยการได้พระสัพพัญยุตยาน ขเดียวกันก็ยังช่วยคนที่พงได้ไ ด, ได้เอาไปจำนองเขาได้หมดอ่ะนะดูดการพ้นจากทุกข์ของบุตรหรือพี่น้องของตนซึ่งถูกจำอยู่ในเรือนจำด้วยการพึ่งผู้อื่นการถึงพร้อมด้วยสมบัติคือพระสัพพัญยุตยานหรือทศพลยานเป็นต้นด้วยความเป็นพระพุทธเจ้าของพระมหาบุรุษผู้ปราศจากทุกขในวัตฏะด้วยอรหัตธรรม และการถึงพร้อมด้วยสมบัติมีวิชาสามเป็นต้นของผู้ที่ทำตามคำสอนของตนดดการตั้งอยู่ในสมบัติตามความประสงค์กับชนเหล่านั้นของบุรุษผู้พ้นทุกข์แล้วเพราะเหตุนั้นการบริจาคบุตรภรยาของพระมหาบุรุษทั้งหลายจึงเป็นสภาพอันหาโทษไม่ได้ด้วยประการชนนี้แลนก็หมายคือว่าอะไรนะเหมือนกับว่าฝากลูกก่อนลูกลูก อยู่ที่นี่ก่อนนะลูกไม่ต้องไปหนักใจอะไรหรอกเดี๋ยวพ่อจะไปหาทรัพย์มาไถ่ตัวลูกคืนไปลูกก็จะร่ํารวยอย่างที่ลูกต้องการทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระราหุลเนี่ยนะท่านก็อนุโมทนากับพ่อของท่านในที่สุดพระราหุลก็ได้วิชาสามอภิญญาหกวิโมกข์แปฏิสัมพิธาสีทั้งหมดในตอนท้ายพระอุบลวรรณเทรีก็เหมือนกันนะท่านเหล่านั้นพระนางมัศีล่ะพระนางมัสีเนี่ยท่านเป็นพระนางมหาพิมพ์ยะโสธราพิมพาใช่ไหม เป็นเอตทักษะในด้านผู้มีอภิน ญ, ญาใหญ่เนี่ยนะมีอภินยาใหญ่เพราะว่านางละเลกชาติได้เป็นอสงไขัเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่มีอภินยาใหญ่เพราะนั้นการบริจาคของพระองค์เนี่ยนะไม่ว่าจะบริจาคอวัยวะบริจาคชีวิตบริจาคทรัพสมบัติบริจาค บ, บุตบรและภรรยาการบริจาคเหล่านั้นเป็นของที่บริสุทธิ์ถูกต้องหมดแล้วการทักทวงไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเนี่ยนะ คนที่จะค้านก็อย่างว่านะก็เตรียมมาเกิดมาเพื่อฝ่ายเป็นฝ่ายค้านอย่างเดียวค้านตะบันหันแหลกหมดค้านแม้กระทั่งคนอื่นทำบุญเนี่ยนะสรุปว่าเท้าส ก, ก่าเนี่ยนะเกิดความอัศจรรย์ใจไม่เคยมีก็เลยอนุโมทนาทานของพระโพธิสัตว์ว่าข้าศึกทั้งหลายทั้งที่เป็นของทิพทั้งที่ของเป็ของมนุษย์พระองค์ชนะได้ทั้งหมดทั่วปฐพีพระองค์นี้ให้กึกกล้องได้ พระเกียติศัพด์ของพระองค์เนี่ยระบือไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อพระองค์ส่งให้สิ่งที่ทำได้ยากให้ในสิ่งที่ให้ได้ยากกระทำสิ่งที่กระทำได้ยากคนที่เป็นอสสัตว์บุรุษก็ทำตามได้ยากอย่าว่าทำตามเลยอนุโมทนายังทำไม่ลงเลยนะอสสัตว์บุรุษทำใจไม่ได้เหมือนั้นธรรมะของสัตว์บุรุษย่อมนำไปยากเพราะฉะนั้นคติของสัตว์บุรุษและอสัตว์บุรุษจากโลกนี้ไปแล้วจึงต่างกัน อาสัตว์บุรุษย่อมไปนรกสัตว์บุรุษย่อมไปสวรรค์เชื่อไหมคนที่ไม่เคยคิดที่จะบริจาคคิดจะให้ทานเนี่ยนะเชื่อไหมพวกนี้จะต้องสละตลอดไปสละยังไงใช่ไหมมาคิดดูนะว่าคนที่ไม่ยอมจะสละเลยนะแต่ต้องสละเนื้อสละเลือดตลอดไปสละอย่างไรคือเหมือนอย่างว่าถ้าหากว่าเป็นคนมัจฉิยตรณีถี่เหนียวไปเกิดเป็นหมูหมูเขาไหวสามสักการะอะไร เกิดเป็นหมูก็ถูกเชื้อไปทุกชาตินั่นแหละถ้าทีนี้ถ้าเกิดตนีทีเหนียวจนได้ไปเกิดเป็นเป็นอะไรเป็นไก่อย่างไงนะก็เป็นไก่อะไรบ้างข้ามันไก่เป็นต้นเนี่ยก็เลยเป็นข้าวมันไก่เป็นต้นหรือถ้าไปเกิดเป็นอุ้ยสละไม่ได้หรอกไปเกิดเป็นวัวเป็นควายแล้วไปทําอะไรไปเกิดเป็นกุ้งเป็นปลาเป็นต้นไปทําอะไรก็ต้องสละอย่างนี้อยู่ร่ําไปนั่นแหละแต่สละแบบนั้นเนี่ยนะได้บุญไหมไม่ตรงกันข้ามไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกเนี่ยนะ แต่พระโพธิสัตว์ท่านก็แค่เรียกว่าไอ้จากจากเหมือนเดิมสละเหมือนเดิมเนี่ยนะแต่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะนั้นการบรรลุมรผลการปฏิบัติธรรมจนได้ตรัสรู้มันอยู่ที่อุบายอยู่ที่วิธีว่าเข้าใจข้อปฏิบัติมีสัมมาทิฐิเข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจเหตุผลที่จะทำให้บรรลุมรผลได้หรือไม่